คนคนพองคนแตกไม่ยาแยกหนีไปแม่กายจะชำ้ำอยู่ป่าหน้ากลัวเสื้อช้างรอบตัวตามเขาทำหนาวเหน็บรกระรมถึงยามหน้าหนาวทนราาร้อนมีผ้าอยู่เพียงสามพื้นสังคาสะบงจีวรไร่เตียงผ้าห่มฟูกหมอนอาใส่นอนเพิงริมไม้ กรบจนท้าระบบเหมือนไฟไม่ท้อถอยเลยจิตใจจนสมาธิได้แน่นอน ความไม่รู้จึงหลงเลยไปไม่ย้อนติดอยู่ห้าปีไม่มีท่าที่ผ่านอนไม่อยากจากจรคิดเอาแน่นอนนี่คือนิพานไปคิดเอาเองไปลงเอาเองเลยเกว้งอยู่นาน เสียงกันกับท่านอาจารย์มันนั้นจนท่านแทบหนายสมาธิจิตท่านบอกจะติดไปทำไมจงใช้ปัญญาคู่ไปเป็นปัจจัยมรรคผลนิพพาน ด้วยผลมิใช่ยกตนเสมอท่านแต่แตกต่างกันในทางภาคเพียนเรียนรู้มากตามหลักตามเกณฑ์จนคราและเนรทั้งวัดมื้อหามาเต็มใต้ถุนสาลานิ่งฟังวาจาสองฝ่ายจนในที่สุดหลวงผู่มันบรรยายเหตุผลต้นปลางบัรปลายในสมาธิจนแจ้งจริง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 แต่เข้าใจไปว่าสมาธินี่มันจะเป็นนิพพานแล้วสุดท้ายก็ได้ท่านคือหลวงปู่มั่นมาช่วยชี้แจงอธิบายจนเข้าใจอย่างแจ้งประจักษ์บ่มลงกราบท่านด้วยความเคารพอย่างสุดหัวใจและเทิดทูนในภูมิธรรมของท่านลางนึกตำหนิตัวเองว่านี่เราเก่งมาจากทวีปไหนนี่เรามามอบกายถวายตัวต่อท่านเพื่อศึกษาอัจธรมหาความจริงทาไมวันนี้จึงมาขึ้นเสียงโตเฉียงกับท่านยิ่งกว่ามวยชิงแชมเปี้ยนซะอีก